ถ้าวันนี้เราคบบควมดูวันนี้ตั้งแต่ตีเช้าตเรามีความสมดุพอที่จะให้เราเต็ได้ดีว่าเรามีเป็นสาวกขอพระพเจ้าเป็นสาวกที่ดีถ้าสาวกที่ไม่เอาไหนพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า อภิรักภาระผู้ชนในวันทจากรประเทศไม่เอาไหนเริ่มละชั่วประพฤติดีนี่เรียกว่ากรารยานะผูุ้ชนกรารยานะคืวดดีดีผูุ้ชนที่ดีขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าใครเริ่มเห็นโทษ ภ, ภัยในวัตจัๆๆกรสารเห็นโทษภัยในการเรียนหวตายโต ว่าการที่การเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีความคุกไม่มีแก่นสารสาระอะไรแล้วก็เคียงที่จะปฏิบัติตามาพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาน้อยปฏิบัติไปไม่คอยรู้คอยเห็นอะไรแต่ว่าอาศัยมีความสาาััธาเลือมใส เือมันในการตัดสิข อ, ของพระพุทธเจ้าน้อมใจดิ้งเชื่ออย่างที่พระเจ้าสอนเ่าร่างกายมันไม่ใช่ของเราแน่นอนเราไม่เห็นอะแต่เราเชื่อตามเลยแล้วมันก็ตายจริงๆด้วยมันเป็นความจริงสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาสอนเป็นความจริงที่มีในธรรมชาติแน่นอน วระองค์แค่เอาความจริงมาบอกมาสอนเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์สอนจริงหมดทีนี้คนที่น้อมใจเชื่อลงไปเลยไม่ว่าจะยินอะไรที่พระยอดสอนเชื่อหมดเด็ดขาดลงไปใจมันก็ต้องเลิกทายออกได้มากหกันแต่ยังไม่เห็นอ่ะยังไม่เห็นความจริง แต่อาศัยความเชื่อตามคําสอนของพุเจ้าพระเจ้าทรงเรียกว่ า, าศารัทธาลุษารีเป็นประเภททีค่คอยตามความเชื่อคอยตามความศรัทธาเรื่องสาสในาการกระทำของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากว่าคนเหล่านี้ใกล้จะตาย เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่บรรลุพระสุนดาวันติคนก่อนตายถ้าศรัทธาอย่างนี้เชื่อมั่นอย่างนี้น้อมใจดิ่ตามคาสอนของเจ้าอย่างนี้ถึงยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรแต่เวลาใกล้จะตายจะสามารถบรรลุพระสดาบันติคนได้เรียกว่าศรัทธานุสัยอันนี้อาศัยความศรัทธา แต่สูงขึ้นีกมีปัญญามากกว่าประเภทศรัทธาลุกษากอย่างนี้พอ ท, ที่จะเห็นตามไปบ้าแต่ว่าปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกยังไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้คือเห็นโสดเห็นไทยแล้วสัญาว่าการเรียนว่ า, วาตายก็แเนี่ยมันเป็นกระแสะเห่นความทุกข์จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยตายปุ๊บลงไปเอาอะไรไปไม่ได้ ใจก็เชื่อแล้วสัทาเชื่อมั่นแล้วเห็นทุกเห็นโทษแล้วหันมาปฏิบัติตามทางของพระกเกจ้าจะเริ่มสติปัฏฐานทั้ง4ีหรือว่าอริยมรรคยมปาปกามนี้เริ่มเห็นเห็นตามว่าโลกกายเนี่ยพออยู่ในสมาธิพอจิตเป็นกลางแล้ ว, วมีแนวมวิมาปฏิบัติอา อริยมรรสเริ่มมีกําลังขึ้นมาแล้วก็มีดวงตาดวงตาของจิตใจเริ่มมองเห็นเห็นว่าเออร่างกายก็ไม่ใช่ของเราแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงเกิดและผันหนับใจก็เริ่มคลายออกเวทนาสัญญาก็เหมือนกันเกิดและผันหนับไปสังขารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ของเรา แต่ว่าอินทรีย์มันไม่แต ก, กล่ะยังไม่สามารถบรรลุปัจจยาบามคนได้แต่ว่าเริ่มเห็นตามละอันนี้เรียกว่าค อ, อ, อ, อยตามธรรมเรียกว่าธรรมานุษสารีคอยตามธรรมคอยตามธรรมะคอยตามสภาพทำตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้า ก, ก, ก็รับรองอีกว่าถ้าใกล้จะตาเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่บรรลุปัจจยารามตน ก่อนจะตายแต่ถ้าใครเห็นแจ้งแล้วแจ่งชัดแล้วชัดคือปัญญานี้ก็เห็นบ่อยๆนิพพานานี้ก็เห็นบ่อยๆเห็นเรื่องๆเห็นมากมากโยนอริยมรรครวมตัวเป็นหนึ่งเรียกว่าหามกิเลสได้บรรลุอริยมรรคอริยผลได้กลบรรลุพระสวัสดิบาลผลได้ นี่แสดงว่าธรรมะของพุทธเจ้าจริงๆแล้วพระ อ, องค์ตัดกับสาวกของพองค์ใครก็ตามถ้ามีความศรัทธาในพระ อ, องค์มีความรักในพระ อ, องค์แค่นั้นตายไปก็ไปสุพติแม้แต่สัตว์เดรัจฉานถ้าเห็นพระ อ, องค์แล้วก็มีความรักใคร่ในพระ อ, องค์สัตว์ตัวนั้นตายแล้วก็ไปสุพติได้ ตอ น, นถ้าเราน้องใจศรัทธาเลื่อนใสในพระพุทธเจา้าโดยเฉพาะเนี่ยที่เรามาเนี่ยก็ต้องมีความศรัทธาไม่งั้นก็ไม่มาตั้งใจฟังธรรมขอพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องรักษาความศรัทธาเอาไวา้นี่ก็มีสุขจินะหรือใครมาเ ล, ลื่อนใสเสมอว่าจะมีพระพุทธเจ้า ก, ก็ทำมาเสวว่าเป็นที่ถูกที่เ ล, ลื่อ จนกระทั่งใกล้จะตายก็ไม่ลืมมั่นคงนี่ก็สามารถไปสุคติได้แล้วยิงย่งเราเนี่ยมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมีความสำรวมระวังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระองค์ไปครมุ่งมั่นมากเพียรมากพยายามมากอดทนมากมีจิตใจเข้มแข็งมุม่งมั่นบำบัดอย่างที่พระองค์ทรงเคยตรัสถามาเป็นแบบอย่าง คนนั้นยินซีก็แก่แกกระลาเลยแต่ถ้าใครเอาข่าวคออยู่บ้านอยู่เงื่อนอยู่ที่ทำงานเราก็ปล่อยฝาละเลยอยู่างนี้ว่าประมาณอยู่อินซีมันก็ไม่แก่กระมือก็ออกมันก็ไม่ค่อยเจ็บเก้าวหน้า <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าใคร เชื่อในคำสอนของมูติเจ้าแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติตามได้มากไายน้อยก็ไม่เป็นไรเนี่ยปฏิบัติเร่วความศรัทธาเรียกว่าอาศัยความศรัทธาน้อมใจตามความศรัทธานั้นไปปฏิบัติตามด้วยความศรัทธานั้นก็มีความหวังในการถือว่ายังไม่บรรลุมรรคผลอะไรแต่ว่าใล้จะตาย ในเมื่อจิตมันน้อมไปแล้วเพราะมันจะตายจริงๆอ่ะไม่ใช่ของเราแน่นอนแล้วมันทิ้งได้เหมือนจะเตียมตัวเลยอ่ะเพอใกลจะตายจริงๆอ่ะเพราะมีความสัทธาเป็นคุณอยู่แล้วสุดน้อมใจก่อนน้อมใจวางน้อมใจให้เห็น ข, น ข, นนนรรขันห้าไม่ใช่ของเราเรื่ยเนี่ยนะแต่ยินได้ฟังธรรมะ่าบอกว่าขันห้าไม่ใช่ของเรา มันเป็นอนิจจังุขังอนาตาัตต า, าน้อมใจเชื่อเรื่อยไปมันมีเหตุเปิดขึ้นเหตุประใจเปิดขึ้นเสร็จแล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปไม่มีแก่นสารไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราได้จริงเหมือนเป็นภาพดวงตาเฉยๆเราน้อมใจเชื่อลงไปเพราะว่ามันเป็นความจริงจริ ง, รงปฏิเสษไม่ไมด้ ก็ต้องพยายามปฏิบัติน้อมใจเชื่ออย่างนั้นน้อมใจดีเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทีนี้เวลาใกล้จะตายอ่ะทีนี้จิตมันจะปล่อยจริงจริงมันจะทิ้งจริงจมันอยู่ไม่ได้นะ ม, มันก็มีความจริงแจ้มชัดให้เห็นในเมื่อเราปฏิบัติมาสติมันก็ต้องมีสมาธิก็ต้องมี แล้วมันเห็นความจริงชัดเจนก็สามารถที่จะมารลุพระสวัสาบัณดติดตัวกายภูมหละนะักเั่ี่ยา ว, ว์าปลอดภัยแล้วตัวนี้ก็ไม่จนเก็บชาตเก็บชาติในที่นี้หมายว่าตัวในการมาโลกหรือเทวดาไม่นตัวเก็บชาตแต่ถ้าใครน้อมใจ าธรรมะเชื่อตามธรรมะคือปัญญามีปัญญามากกว่าปล่อยสัตตนี้คือทำไมบรรลุกระสบราวันมุคคลแต่ใกล้จะตายมันก็เห็นชัดเจนเมื่อใกล้จะตายแล้วนี่่จิตใจเข้มแข็งเห็นความจริงได้ในวาระสุดท้าก็ป่อยวางได้เหมือนกันธร ม, มานุสารีแต่ถ้าใครเห็น เ ห, ب ời ب ời, เห็นบ่อยๆเห็นเมื่อๆว่ากายกับใจเนี่ยมันไม่ใช่ของเราริงคือมันต้องอาศัยการปฏิบัติเพราะมาคิดเอาไว้ได้ได้ยินในฟังเฉยๆมันไม่เห็นตามมันไม่หินลงไปเพียงพอที่มันจะปล่อยได้พอที่จะมันจะเข้าใจได้ มันก็ต้องอาศัยการปฏิบัติปฏิบัติจนจิตใจมันสติมันควบคุมจิตได้เป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วก็ต้องให้ตั้งมันด้วยตั้งมันและวจิเป็นกลาวขึ้นมามาดีๆนีน่ร้ายทีนี้ตาของปัญญาหรือตาของใจเนี่ยมีกาจับคุกกรณีจักทุกกรณีเ่มีตาขึ้นมาแล้วมีจักสูบแล้ว ก็จะมองเห็นมองเห็นคือตาปัญญามันมองเหมือนที่ไทยตอนเนี้แปลว่ า, าจิตมันมันเป็ น, นป็นกลางแล้วเอามามองอูมองอยู่เริ่มตั้งแต่เอาร่างกายถ้าเห็นเห็นนั้นเข้าใจาด้วยจิตของเราเองว่าเฮ้มันไม่ใช่ของเราจิตมันคนละส่วนเลยนีเรียกว่าตาปัญญาหรือตาใจ หรือเรียกว่าปัญญาญาเรียกว่ายานก็ใช่คือปัญญาที่เกิดจากจิตโดยตรงเลยไม่ได้ยินได้ฟังใครอะจิตจอเขาไม่เห็นเลยถึงได้ยินได้ฟังมาแต่ก็มาเห็นด้วยตัวจิตเองเพราะฉะนั้นสมัยก่อนะเวลาฟังธรรมนเนี่ยทําไมบรรลุธรรมได้ก็คือเนี่ยอินทรียบารมีมันแก่กล้าแล้วพอฟังธรรมปับ๊บ จิตมันก็มีตาเกิดขึ้นหรือตาปัญญาปัญญายาเกิดขึ้นมองตามไปเลยะจิตก็เห็นเลยเห็นก็ปล่อยไปเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังทำแล้วบรรลุธรรมมีมากเพราะว่าเคยก็ะพฤติปฏิบัติมาแในวดีตหรือในปัจจุบันปฏิบัติแล้วแต่มันยังไม่ถึงขนาดบรรลุธรรมได้แต่พอได้ฟังทำปั๊บ จิตมันเห็นตามไปแล้วก็ปล่อยวางไดก็สามารถบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบตัติก็ต้องปฏิบัติจนจิตมันเป็นกลางขึ้นมาเราก็รู้แล้วถ้ามันนิ่งอยู่นิ่เฉยมีอารมณ์เดียวอันนั้นยังยังยังไม่สามารถมองทะลุกออกไปมันอยู่แค่แค่เราจึงเรียก ว, ว่าสมาธิกรรมาฐานแค่ทําให้จิตสงบเฉยเฉยเนี่ย ถ้ามาเริ่มขยายความรู้สึกออกมาดูได้ดูขันห่านได้ดูกายอยู่ใจเราได้หรือว่าดูกายเวทนาจิตธรรมได้หรือว่าดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาได้อันนี้เรียกว่ามีตาธรรมญาโตขึ้นทีนี้มันเห็นวิปัสสนาเนี่ยหมายว่าต้องเห็นบ่อยๆเยอเห็นความจริงก็ต้อเห็นบ่อยๆไม่เั้งเดียว คนเห็นว่าเออังการที่ของเราจริงไว้จะไปสรุปมันก็ไม่น่ะเพราะว่ า, วามันไม่ได้เห็นบ่อยๆเห็นืงองๆเห็นมากๆอย่างแล้วเห็นอีกจนอารยมรุม่มเป็นเห็นได้มันจ ะ, นนนน ะ, นะกวาดกาคิดได้รักความเห็นผิดได้รักสัจยะที่ผิดได้รักความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราของเรา เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเต็มร0อซต้องเป็นพระโสดาบันึ้นไปถ้าเรายังไม่รู้นพระโสดาบาันก็คือมีสัมมาทิฏฐิระดับการได้ยินได้ฟังแล้วก็มาปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามมากเข้ามากเข้ามอกระจกเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นสมัมมาทิฏฐิก็เริ่มเพิ่มขึนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนอะไรมาเติมโตเป็นหนึ่งเหมือน สัมมาทิฏฐิปปุริบูรสมบูรณ์สมหาสามารถละความเห็นผิดสกฤยทิฏฐิได้ละวิชชาทิฏฐิมีเห็นผิดว่าเป็นเราเป็นของเราละวิจิตริชชาละความนังเลสงสัยในการปฏิบัติมีนังเล่สงสัยในคุณพระพุทธธรรมวสุโถ การรักษาศีลก็ต้องเป็นใจเพื่อการลักการปล่อยกำลังเหมืกันการจัะทำอะไรข้อเรียวคดหรือข้อปฏิบัต mm ิ hmm. ก็จะต้องเป็นใจเพื่อมีธัรญารู้ความจริงทังดนี่คือผู้ที่บรรลุเป็นมโสาาุรากิตติตอะ น, นั้นจึงเรียวเป็นผู้ไม่ตกตามเป็นธรรมดาต้อง หรพระนิพพานแน่นอนหรือบรรลุพระอรหันต์นนแน่นอนแต่ถ้าพระโสดาบันบุคคลมุงมั่นที่ยาออกจากทภูเขียนปฏิบัติต่อไปอีกก็สามารถบรรลุเป็นพระอนาตรสักตพราหมณีบุคคลพระโสดาบันที่ปฏิบัติเพื่อจะเป็นพระสัตตพราหมีบุคคลนี่ก็คือมาดูขันธ์ห้าเหมือนเดิมแต่อาจจะพิจารณา สิ่งที่เราบริโภคสิ่งที่เราใช้สอยมากขึ้นสิ่งที่เราเกี่ยวข้องลูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือสิ่งที่เราถูกเจ้าัจเราแล้ก็ต้องมาดูว่าเออนอกจากีขันห้าแล้วมีอะไรที่เราติดข้องได้ดอีกเนี่ยก็เอามาพิจารณาทำความเข้าใจมากขึ้น จนกระทั่งอริยมรรคดวงตัวคนตัวคืนเห็นว่าจริงๆแล้วไม่มีเป็นของเรามก็จะปล่อยวางได้แต่รู้ว่าจะกระทาควนึ่คนละสังโยชน์ได้เท่ากับพระโสดาบันหนคนแต่ว่าโลกโผลลงเบาบางกว่าแล้วกรัมวิต ก, กริกีในโลกนี้ อีกชาติเดียวคำว่าโซดาบรุคคลนี้ไม่เกินเก็ดชาติอาจจะหกชาติห้าชาติสีชาติสามชาติสองชาติหรือหนึ่งชาติก็ได้ทีนี้พระสัพพ า, าคา ม, มีบุคคลต่อปฏิบัติต่อไปยิ่พระอาณาพระสัพพ า, าคา ม, มีบุคคลนี้จะเน้นเรืนน่องใจมากเพราะว่ามันเจาะเข้ามาแล้วเหมือนจิตเป็นหกตัวเข้ามาข้างใน ว่าจิตมันยิตอะไรยึดร่างกายร่างกายมันต้องเอาลูกเสียงกลิ่นรดสัมผัสภายนอกมาเพื่อปลุกเปทําทำให้ร่างกายมีความสุขอันที่จริงอะมันต้อาการแค่จาที่จำเป็นแต่บางทีจิตของเราเนี่ยมันยังหาความพอดีไม่ไ ด, ได้มันจริงจะต้องมาทำความเข้าใจเพื่อให้จิตเนี่ย ยึดติดข้องในเรื่องร่างกายหรือเวทนาที่เกิดกับกายรยอมทั้งสิ่งภายนอกที่จะเอามาเกี่ยวข้องกับร่างกายบางอย่าง ก, ก็จําเป็นสําหรับร่างกายแต่ว่าติดพองเรายังไม่รู้ยังไม่มีสติปัญญาต่อมันจึงต้องพินาาภายนอกพินาศภายในพินาศการพินาศจิตพินายรูปเสียง สิง่งรสสัมผัสสิ่งที่เราจะไปเกีออ่ยวข้องมันจริงต้องมองข้างนอกมองข้างในอบรมจิตตัวเองเอไปเรืย่ยๆจนกระทั่งละการมาราคาดับโศจียึกจิตในรูปเสียงจิตรสสัมผัเวลาดับเวื่อรัตรงนี้ได้รู้ไม่ได้มามันก็จะไม่มีปฏิทักษ์ไม่มีมความโกร ผมละได้แล้วกินละปฏิฆาได้ด้วยมีศีลพ า, า, านาคามีบุคคลทีนี้พาน า, าคามีบุคคลก็จะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ต่อมาพีนาสิ่งที่ละเอียดระที่นี้มันละกายได้แล้วละลูกเสียงสิโลสัมผัสได้หมดแล้วตรงนี้แต่ตัวจิตเนี่ยเชื้อที่มันอยู่ในจิตนั่นแหละที่มันเป็นตัวเป็นตนด้วยอำนาจความหลง มันก็จ่อเข้าไปหาจิตเนี่ยมันก็จะเห็นาว่าจิตมันยึดอะไรบ้างจริงก็ไปยึดแม้กระทั่งให้พวกช้างทั้งหลายนันว่าคือมันไม่เราไม่ได้ยึดหรอกแต่ไอ้ตัวจิตน่ยมันไปติดมันไปติดของมันเองมันไปพักเหนือล้มันสบายมันสบายมัเพินอยู่ในนั้นมันยุ่ไม่ได้ดูปราคะอาศัยลูก แล้วจิตเป็นสมาธิดูประชานแต่ว่าจิตเนี่ยมันยังไม่เห็นว่ามีเป็นการติดมันก็เลยต้องเข้าไปถ้ามันเห็นเมื่อไหร่นะมันก็วางมันรวมกันพยายามที่จะให้แจ้ชัดตามความจริงร่วมกันตอนที่ยังไม่เห็นนี่มันไม่รู้เลยนะแต่ว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอริยมริยมแดองค์พระเจ้า มันจะเจอเินก้าวหน้าขึ้นอยู่กับาการปฏิบัติของเราเองไ ม, ไม่ถอยพยายามถ้าใครมีจะตอยากเอาอยากได้แต่ไม่เพียรไม่ปฏิบัติอันนี้ก็ไม่สมเหตุสมผลนะแต่ถ้าใครเพียรปฏิบัติอยากได้ก็ตามไม่อยากได้ก็ตาผมผลมันจะปรากฏขึ้นบางทีมันก็ไปยึดพวกรูกประชาญอะรูประชาญด้วย อาศัยรูปหลักอาศัยความว่าอาศัยวิญญาณอาศัยความไม่มีอะไรอาศัยเดียวอาจะเป็นสัญญาต่อชัยเต่สัญญาต่อชัยเนี่ยมันละเอียดเข้าไปลึกเข้าไปก็เลยไปติดได้แต่สุดท้ายเมื่ออินทรียแก่กล้าเห็นเหมือนกัดก็วางได้หรือเมื่อจิตนี่มันยังไม่ยังไม่หมดงานมันก็เลยต้องสอนตัวเอง ผมสอนตัวเองเขาเรียกว่ามันยังฟุ้งในธรรมะสอนตัวเองมากๆเลยเพิ่งไปเลยสอนจนลืมลืมไรู้ไม่ได้รู้ตัวทรกรุกข์ร้องเดี๋ยวมันมันเข้าไปบางครัเวลาเวลาเราติดอารมณ์อะไรสักอย่างติดเาราขลังเข้าไป่างนั้นเขาจึงเรียกว่ามันตึงซะจับแต่เป็นซะจับไม่ได้ฟุ้งซ่านรังคารบางทีก็เปรียบเทียบคนนั้นคนนี้บางทีบางยังนะ จิตมันก็ยังมีทุกได้ยืนมีตัวมีต น, นได้มณมานะทั้งหมดนี้ก็คือตัววิช า, านันเองเอาไปเห็นแจ้งชัดตามความยันยิงยูทั้ทงหมดจดเมื่อไหร่อวิชาก็จะดับก็เป็นตัวตนนี้ดับหมดในจิตจะเห็นชัดแจ้งทันทีเลยไม่มีงานอีกแล้วไม่มีงานคือยังไงมันไม่ปรุงแต่งเองอ่ะความ ถ้ามันจะมีอะไรคุ้มแต่งก็คุ้มแต่งไม่เกี่ยวกับเราอ่ะมือนเป็นธรรมชาติตันนี้หมือนไม่ถึงจิตเราจิตเราไม่มีคู่ไม่มีแต่งจิตก็เลยหมดนานรู้ว่าไม่มีอะไรพาไปเกิดถ้าคนที่มีความรู้เรื่องปริยัตเนี่ยมองดูจิตปักความรู้จิตเราว่าจิตเราไม่มีอะไรกู้มรุมไม่มีอะไรที่จะเป็นเชื้อมาให้ไปเกิด ถ้าไม่รู้ปริยัตก็จะเห็นแต่ว่ามันมันอยู่นิ่งๆี่ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะทุกก็ไม่มีเดี๋ยวถ้าคนรู้ปริยัตเนี่ยก็จะมองเห็นมรืนนี้เองที่มันพาไม่มีอะไรพาไปเกิดถึงมันไม่ปงแต่งบางทีมันก็มีคิดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าความคิดนั้นเป็นแค่ธรรมชาติอันนี้มันไม่เกี่ยวกับกิจเราไม่เกี่ยวกับเราเนี่คนที่มาถึงมันจะเห็นชัดด้วยการทุกคนนหละถึงไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็พูดได้ ว่าเออจิตของเรา ม, ามันคิดไปมีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่เอาเข้ามาในจิตคือจิตเป็นอิสระเลยเหยียทพานพิงรู้ว่าโร ม, มาจารจบแล้วจบแล้วสิ่งที่พาไปเกิดก็หมดแล้วชาติสิ้นแล้วขีณา ช, ช, ชาติฤาสิตามรามะจาริย์โภ ม, มาจารย์จบแล้ว อาาศตั้งกรย่างงานอื่นไม่นี้ก็ไม่ต้องทํางานอีกแล้วอย่เฉยๆหรือว่าสิ่งที่จะต้องทําเพื่อให้จิตเป็นอย่างนี้ไม่ต้องทําอีกอยู่เฉยๆอันี้จะเห็นด้วยจิตมองเห็นมองไปที่จิตเองแล้วเห็นนี่แหละพะพิมพ์เรียกว่าญาติชนิดหนึ่งเหมือนกัน เพราะนั้นมันึนงกล้ารับรองตัวเองได้ว่มไม่มีทุกแน่นอนอิสระแล้วหยุดคนแล้วเพราะมันเห็นในจิตนีละความมหัศจรรย์ของธรรมะของพระพุทธเจา้าผู้ปฏิบัติสามารถเห็นด้วยตัวเองแน่นอนสานทิธีโก กาลิโกเตยิปัสิโกใครอยากเห็นมาปฏิบัติเลยเนี่ยทำได้แล้วถ้าตั้งใจปฏิบัติก็ต้อง จ, จัดจังเวทิตาโพวินวผูู้้ย่อมรู้ได้เฉพาะตัววิญญชนย่อมรู้ได้เฉพาะตัวใครจะรับรองไม่รับรองไม่สําคัญอีกใครจะเชื่อไม่เชื่อ ไม่มีปัญหาอะไรเลยทีนี้เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าและ้จะเอาจิงไหมหรอนี่หละธรรมะของเจ้าเป็นของจริงแน่นอนเอาจิงมไหมถ้าใครเอาจิงก็ต้องเพียนพยายามอดทนเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติมาก มีมันกินเจ้าอ่อนแอคอแฮ้ลดละเลิกความเพี้ยนเราแตน้าโครแย่แล้ ว, ล ว, กกลวเคยมีมันกินของเราตอดของผมเราตน้าโคตเคยท้อใจเคยเลิกรับความเพียนไม่มีอ่ะมีแต่มุ่มมันบ า, บ า, บาดบั่นอยู่พียนพยายามบดทนผิดก็รู้ว่าผิด เอาไหมเนียเอาผิดก็จะเอาจนรว่ผิดไม่ใช่ทางแน่นอนแล้วหาทางไปด้ยเพราะว่าชาติสุดท้ายพระองค์จะต้องตัดสินด้วยพระองค์เองแน่นอนเพราะผู้กี่ปากศนาเป็นผู้ดูเจ้าต้องแบบนะั้นชาติดินอนอาจจะได้ยนินได้ฟังธรรมะของเจ้าตรงนั้นตรงนี้ แต่ก็ไม่สมัครใจเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าองยไห น, นแค่รับฟังไปจะมุ่งมั่นปฏิบกกัติจนเป็นเทวเจ้าไม่เอาสาร้างบารมีเรืยมาชาติสุดท้ายต้องตัดสินเองเรน่อยเพราะนั้นสิ่งที่พระองค์สอนนีรู้ด้วยยามสัมมาสัมโพธิามเป็นความจริงที่มีอยในธรรมาชาติไม่ต้องสงสัยเลย บางอย่างเราปฏิบัติไปเราเห็นตามเรามีพ ย, ยานมีหลักฐานยืนยันแต่บางอย่างยอมรับวันเราเนี่ยไม่สามารถรู้ตามพระองค์ได้เลยต้องน้อมใจเชื่ออย่างเดียวเชื่อตามข้องค์ไปก็มีเห็นตามมีหลักฐานพยานยืนยันก็มีแต่ทั้งหมดนี้ไม่เคยสงสัยในคํามสอนของพระพุทธเจ้า มั่นันเป็นจริงแน่นอนสิ่งไหนพระองค์ตัดแล้วเป็นจริงเด็ดขาดแล้วก็เป็นจริงในยธรรมชาติเลยถ้าใครเชื่อตามปฏิบัติตามก็องได้รับประโยชน์จากความศรัทธาเรื่องสายนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความเชื่อมั่น ในการตัดสินของโมติจักแล้วที่สำคัญก็มีความเพียรด้วยมีความอดทนพยายามด้วยทำท antis, ทาขึ่งกลางมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ถดถอยไปเพราะว่าสติม <visuals> ันก็ไม่เที่ยงมอนไม่แน่นอนมันก็มีขึ้นมีลงสมาธิมันก็เป็นฝ่ายสังขารมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีขึ้นมีลง มีเจรมีเสือ่อมเราต้องอยอมรับมนันได้บางวันสติเราดีจิตเราก็ดีสมาธิมั่นคงบางวันมีเรื่องกระทบจิตหงจิตไม่อยู่จิตเราวิ่งไปนน่มวิ่งไปนี่สติก็อ่อนลงไปสมาธิอ่อนลงไปไม่เป็นไรเพราะมันมีเหตุเราพยายามประคองจิตเอาไว้ ไมต้องไปกัวปงวลไม่ต้องไปหวั่นไว้เอาไหมเอาไหมเดี๋ยวมันก็ับบดนมากเพราะมันมันเป็นธรรมชาติอันหนึง่งเราต้องยอมรับความจริงผลของการปฏิบัติก็มีการเปลี่ยนแปลงตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณหน้าที่เราเพียรอย่างเดียวพยายามอดทนมุ่งมั่นบางตอนอยู่นั้นตั้งใจอยู่นั้นสวม ร, ระวังอยูน่นะถ้าอย่างนี้ มันก็เป็นอย่างที่พระเจ้าสอนแน่นอนนะเพราะว่าแค่สรัทธาเรื่อมใสในพระองค์ใจน้องบินเชื่อตามเท่านั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าหนึ่งเขาจะไม่ไปทํากรรมที่ชั่วร้ายจน ก, กระทั่งไปตกนรกเพราะมันเชื่อแล้วพองค์สอนไม่ฆ่าสัตว์ก็จะไม่ฆ่าแล้วประเภทนี้สอนใม่รักษัตว์ก็ไม่รักแล้วหราโอ้ง การที่จะไปกระพืติในการมก็สํารวมระวังแล้วไม่เอาแล้วองค์สอนไม่กล่าวเทศก็ไม่แล้วเพราะศรัทธาน้องบิดเชื่อแล้วเนี่ยแล้องค์จึงพยากรณนะ์ได้บอกผู้ที่มีความศรัทธาเชื่อในคําสอนของพระองค์แล้ก็เห็นโทษในการเกิดการเบี่ยงบายตายเกิด น, นี้และก็พยายามปฏิบัติตามถึงยังไม่เห็นอะไรก็ไม่ต้องเดือดราอนใจปฏิบัติ ต, ต่อไปใกล้จะตาย ม, มันจะ นะมีอาศัยของยาพยายกรอะไรให้เีเรียกศรัทธานุสาลีมีปัญญาแล้วทีนีเริ่มเห็นตามบ้างแต่ไม่าบารลุอะไรก็เป็นธรรมานุสาลีคอยตามทำคอยตามด้วยปัญญาที่รู้ตามพระพุทธเจ้าไปนี่ก็จะไม่ทำกรรมประเภทที่จะทำให้ตกบปบายาคุมแน่นอนเนี่ย เหมือนกับสถานุษาลีเพราะนั้นใกล้จะตายความจริงก็จะปราปกฏความรู้ตอนทีียะตายนั้นเห็นความจิตชัดเจนแน่ น, น อ, น, มอมนทิ้งได้แค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วปิดประตวบายภาภูมได้แน่นอนแล้วพบชาติจะเกิดต่อไปจะเจริญขึ้นเรื่อยๆ้ว ยิ่ถ้าปฏิบัติต่อไปสามารถบรรลุมรสวดารวัตุคนในชาตินี้ทีนี้มรสวดารวัตุคนเนี่ยมันไม่ค่อยลึติดอะไรมากเพราะรู้เข้าใจแล้วมีอะไรเป็นของเรามากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นมีความสุขในกามกามสุขกว่ด้มมีเงินมีทองใช้สอยไปเพราะมันเริ่มเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้ว มันได้เก็บมาให้เราเป็นทุกข์แล้วไม่ยึดติดข้องมากมายเนี่ยพราะนั้นความสุขมันก็จะจามากเนี่ยคำมาสูขจิตใจที่มันไม่ยึดในหกการทั้งหลายมันปล่อยมันวางได้มันก็ยิ่งเพิ่มความสุขเข้าไปเนี่ยความสุขที่เกิดจากความสงบส ง, งัดจากการรู้ความจริงมันวางได้มากเดียะยิ่งทานสุข ก็มีให้เห็นเพระผู้เจ้าเปรียบเทียบว่าผู้ที่บรรลุบรรพดาบาลนึ่งตนถ้าหาว่าเปรียบเทียบความทุกข์ในผุุ้ชนเท่ากับภูเขาความทุกข์ของบรรพดาบาลหนึ่งนเข้ากับขี่เล็บแสดงว่าเรือน้อยนิดเดียวนี้ก็คุ้มค่าแล้วสําหรับความเพียรความพยายามความมุ่งมันแบบบันของเรา แล้วผ nee, ู einen einen einen einen. ้เฒ่าทุกพ่อองค์ก็ต้องสอนอย่างนี้แ่ละไม่ต้องรอผู้เฒ่าองค์ไหนอีกแล้วเชื่อศรัทธาเรื่องสายแล้วพยายามปฏิบัติเชื่ออย่างเดี่ยวแต่ไม่ปฏิบัติมีแต่อยากได้สบายสาส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เหมือนกับว่าโอ้ยถ้าหากว่านอนหลับไป สบายสบายตื่นขึ้นมาบรรลุผลสัมนทธได้จะเอาเลยเนี่ยทำนองนั้นเลยนะคือเหมือนไม่อยากปฏิบัติอะไรเลยไม่อยากลงทุนเลยเดี๋ยสํำนมงระวังกับเนี่ย ม, นมยนันลำบาเพอมาสำนองหลองสู้ลสปล่อยตามกิเลสก็เลยด้ำาำอะไรจะมีสติก็เหมือนจะต้องมาบางังคับมองควบคุมเลยเอาสบายสบา ย, บายก็ดีวกว่าอยากอะไรก็เอามา อยากดูอะไรก็ดูมันอยากทำอะไรก็ทำแต่ปากก็บ อ, อยากถึงอริยานาปานานิทานนี่มันสวนทางกับการกระทําของเราเองมันไะ่ได้ก็ในเมื่อคําสอนยุทญาณมีคุณค่าขนาดนี้มีประโยชน์ต่อชีวิตเราขนาดนี้ เราก็ต้องพยายามแบบ เ, เสริมกับที่เราได้พบคำสอนของพระองค์ตัวนี้พบคำสอนของพระองค์มันมีความสภาพเรื่มใสขนาดที่เราเพียนพนยายามที่จะได้ยินได้ฟังพยายามปฏิบัติอย่างนี้นก็ออาหยากเด็กเราดูรอ บ, บตัวเรากระทำแต่ในนครยโสที่นี่หนรือนนะนในบริเวณที่เราอยู่ก็ไา้มีที่ไหนก็ตามเี่มองดูมีที่พูดเสี ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในอสพุทเจา้าเพราะฉะนั้นเราจรึงเรียกว่าให้พอใจว่าเราเป็นคนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพุเจ้าความเป็นสื้อเชื่อมั่นในศักยภาพของเราเชื่อมั่นในบุญบารามีของเราเองจะได้มีกำลังใจที่จะปฏิบัติตามโ่ปฏิบัติตามเราเพียงเนี่ย เอน่ได้อนี้ยราะมนามันแทบมันดีเลยนะนอกจากจะลบกับกิเลสความอยากความโลภกานดึงดูแล้วมือที่สามก็มีด้วยในเรื่องของเรามันเห็นเราแต่พ้นไปจากเนื้อมือองมันมันก็ไม่ยอมเหมือนกันเนี่ยมาทั้งหลายกินควาอยากให้เราเนี่ยพ้นตาหน้าของมัมันก็ไม่ยอม เราจะต้องอาศัยความที่อาศัยกำลังใจคต้อ ง, งอาศัยความมันที่จะติดตาเาวันนี้ก็